ภิกษุยินดีวิตกนั้นไม่ละไม่บันเทาไม่ทําให้หมดสิ้นไปไม่ทําให้ถึงความไม่มีภิกษุแม้กําลังเดินผู้เป็นอย่างนี้ไม่มีความเพียรไม่มีโอตะปะเราเรียกว่าผู้เกียร์คร้านมีความเพียรย่อหย่อนต่อเนื่องตลอดไปถ้ากามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กําลังยืนและภิกษุยินดีวิตกนั้น ไม่ละไม่บันเทาไม่ทำให้หมดสิ้นไปไม่ทำให้ถึงความไม่มีภิกษุแม้กำลังยืนผู้เป็นอย่างนี้ไม่มีความเพียรไม่มีโอตตปะเราก็เรียกว่าผู้เกียดคร้านมีความเพียรย่อหย่อนต่อเนื่องตลอดไปถ้ากามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กำลังนั่งและภิกษุยินดีวิตกนั้นไม่ละไม่บันเทา ไม่ทำให้หมดสิ้นไปไม่ทำให้ถึงความไม่มีภิกษุแม้กำลังนั่งผู้เป็นอย่างนี้ไม่มีความเพียรไม่มีโอตปะเราก็เรียกว่าผู้เกียจคร้านมีความเพียนย่อหย่อนต่อเนื่องตลอดไปถ้ากามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแกภิกษุผู้กำลังนอนเตืนอยู่และภิกษุยินดีวิตกนั้นไม่ละไม่บรรเทา ไม่ทำให้หมดสิ้นไปไม่ทำให้ถึงความไม่มีภิกษุแม้กลาลังนอนเตืนอยู่ผู้เป็นอย่างนี้ไม่มีความเพียรไม่มีโอตตะปะเราก็เรียกว่าผู้เกียดคร้านมีความเพียรย่อหย่อนต่อเนื่องตลอดไปถ้าการมาวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กำลังเดินและภิกษุไม่ยินดีวิตกนั้นและบันเทาทาให้หมดสิ้นไป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 ภิกษุแม้กำลังยืนผู้เป็นอย่างนี้มีความเพียรมีอดตะปะเราก็เรียกว่าผู้ปรารบความเพียรอุทิกายและใจต่อเนื่องตลอดไปถ้ากามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแกภิกษุผู้กำลังนั่งและภิกษุไม่ยินดีวิตกนั้นและบันเทาทำให้หมดสิ้นไปทาให้ถึงความไม่มีภิกษุแม้กำลังนั่ง ผู้เป็นอย่างนี้มีความเพียรมีอดตะปะเราก็เรียกว่าผู้ปรารบความเพียรอุทิศกายและใจต่อเนื่องตลอดไปภิกษุทั้งหลายถ้าการมาวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ภิษุผู้กำลังนอนตื่นอยู่และภิกษุไม่ยินดีวิตกนั้นและบันเทาทำให้หมดสิ้นไปทำให้ถึงความไม่มี ภิกษุแม้กําลังนอนตื่นอยู่ผู้เป็นอย่างนี้มีความเพียรมีโอตตะปะเราก็เรียกว่าผู้ปรารบความเพียรอุริกายและใจต่อเนื่องตลอดไปถ้าภิกษุใดผู้กําลังเดินยืนนั่งหรือนอนนึกถึงอกุศลลวิตกที่เกี่ยวเนื่องกับการครองเรือนภิกษุนั้นชื่อว่าเดินทางผิดหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์เป็นเหตุแห่งความหลง ภิกษุเช่นนั้นไม่สามารถบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดได้ภิกษุใดผู้กาลังเดินเยืนนั่งหรือนอนให้วิตกสงบยินดีในธรรมเป็นที่ระงับวิตกภิกษุเช่นนั้นสามารถบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดได้เจริสูตรที่หนึ่งจบ สศีลสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มีศีลภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีศีลสมบูรณ์มีปาติโมกสมบูรณ์สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกพี่พร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษแม้เล็กน้อยจะมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเถิดเมื่อเธอทั้งหลายมีศีลสมบูรณ์มีปาติโมกสมบูรณ์ สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกพียบ พ, พร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายจะมีกิจอะไรที่ควรทำให้ยิ่ยงขึ้นไปอีกเล่าถ้าภิกษุผู้กำลังเดินอยู่ปราศจากอภิชาเพ่งเล็งอยากได้ของเขาพยาบาทความคิดร้ายและถีนมิทะความหดหูและซึ่งซึม อุทจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยได้ปรารพความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมมีกายสงบไม่กระสับกระส่ายมีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิภิกษุแม้กำลังเดินอยู่ผู้เป็นอย่างนี้มีความเพียรมีโอดตปะเราเรียกว่าผู้ปรารบความเพียร ทิศกายและใจต่อเนื่องตลอดไปถ้าภิกษุผู้กําลังยืนละถึงถ้าภิกษุผู้กําลังนัง่งถ้าภิกษุผู้กําลังนอนตื่นอยู่ปราศจากอภิชาพยาบาทและถีนมิทะอุทจักกุกุ จ, จักวิจิกิจชาได้ปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมมีกายสงบไม่กระสับกระส่ายมีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิ ภิกษุแม้กำลังนอนตื่นอยู่ผู้เป็นอย่างนี้มีความเพียรมีโอตระปาเราก็เรียกว่าผู้ปรารุบความเพียรอุทิกายและใจต่อเนื่องตลอดไปภิกษุควรเดินสำรวมยืนสำรวมนั่งสำรวมนอนสำรวมคู่เข้าสำรวมเหยียดออกสำรวมพิจารณาความเกิดและความดับแห่งธรรมขัน ทั่วภูมิเป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งชั้นบนชั้นกลางและชั้นต่ำนักปราทั้งหลายเรียกภิกษุเช่นนั้นผู้ศึกษาข้อปฏิบัติที่สมควรแก่ความสงบใจมีสติอยู่ทุกเมื่อว่าผู้อุทิศกายและใจต่อเนื่องศีละสูตรที่สองจบ 3. ประธา น, นสูตรว่าด้วยสัมมประทานภิกษุทั้งหลายสัมมประทานความเพียรชอบสี่ประการนี้สัมมประทานสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้หนึ่งสร้างฉันทะพยายามปราลบความเพียนประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น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 ภัยบู์เจริญเต็มที่แห่งคุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายสั ม, มประทานสี่ประการ น, นี้แหลพระขีณาสพเหล่านั้นมีสัมมประทานครอบงำบ่วงมารได้อันกิเลสไม่อาศัยถึงฝั่งแห่งชาติและมรณะท่านเหล่านั้นชนะมานพร้อมทั้งเสนามานเป็นผู้ยินดีไม่มีความวันไหวและล่วงพ้นซึ่งกองพลมานทั้งหมดถึงสุขแล้ว ประทานสูตรที่สจบ 4. สังวรสูตรว่าด้วยสังวรประทานภิกษุทั้งหลายประทานความเพียรสประการนี้ประทานสี่ประการอะไรบ้างคือ 1>, 1. สังวรประธานเพียรระวัง 2. ปหาณประธ า, านเพียรละ 3. ภาวนาประธานเพียรเจริญ 4. อนุรักษนาประธานเพียรรักษาสังวรประธานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมจากขุนศี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 ย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมมนินทรีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุสนธรรมคืออภิชาและโทมนัตครอบงำได้จึงรักษามนินทรีถึงความสำรวมในมนินทรีนี้เรียกว่าสังวรประทานปหาณประทานเป็นอย่างไรเคยภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ไม่ยินดีกับกามวิตกที่เกิดขึ้นและบันเทาทาให้หมดสิ้นไป ทำให้ถึงความไม่มีไม่ยินดีพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นและถึงไม่ยินดีวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นไม่ยินดีบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกและบันเทาทําทให้หมดสิ้นไปทําให้ถึงความไม่มีนี้เรียกว่าปหาณประทานภาวนาประทานเป็นอย่างไรเคยภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโมัสชง ทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้ที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะเจริญธรรมวิจยสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเฟ้นธรรมเจริญวิริยะสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียรเจริญปิติสัมโพชง ธรรมเป็นองค์แห่งการตรสัสรู้คือความอิ่มใจเจริญปัสสิสัมโพชฌงธรรมเป็นองค์แห่งการตรสัสรู้คือความสงบกายสงบใจเจริญสมาธิสัมโพชฌงธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความตั้งจิตมั่นเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความวางใจเป็นกลางที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปนินวะคะัคระนี้เรียกว่าภาวนาประทานอนุรักษณาประทานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ตามรักษาสมาธินิมิต ท, ที่ชัดดีซึ่งเกิดขึ้นแล้วคืออธิกะสัญญากําหนดหมายซากศพที่ยังเหลืออยู่แต่ร่างกระดูกหรือกระดูกท่อนปูรูวกะสัญญากาหนดหมายซากศพที่มีนอนคลาคล่าเต็มไปหมด วินีละกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่มีสีเขียวคล่ำคละด้วยสีต่างๆวิปุปะกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลเยิ้มอยู่ตามที่ที่แตกปริออกวิชิตกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่ขาดจากกันเป็นสองทอนอุทุมาตกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่เน่าพองขึ้นอืดนี้เรียกว่าอนุรักษนาประทาน ภิกษุทั้งหลายประธานสี่ประการนี้แหลประธานสี่ประการนี้คือสังวรประธ า, านปหาณประธานภาวนาประธานและอนุรักษณาประธานพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์พระอาทิตย์ทรงแสดงไว้แล้วที่เป็นเหตุให้ภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้มีความเพียรถึงความสิ้นทุกข์สังวรสูตรที่สจบ บัญญัติสูตรว่าด้วยการบัญญัติสิ่งที่เลิศภิกษุทั้งหลายบัญญัติสิ่งที่เลิศสี่ประการนี้บัญญัติสิ่งที่เลิศสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. บรรดาสัตว์ผู้มีอัตภาพใหญ่ราหูผู้เป็นจอมอสูนเป็นเลิศ 2. บรรดากามโภคีบุคคลพระเจ้ามันทาตุเป็นเลิศ 3. บรรดาบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ มารผู้มีบาเป็นเลิศ 4. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ภิกษุทั้งหลายบัญญัติสิ่งที่เลิศสี่ประการนี้แหลบรรดาสัตว์ผู้มีอัตภาพใหญ่ราหูผู้เป็นจอมอสูนเป็นเลิศ บรรดากามรมภโขคีบุคคลพระเจ้ามันธาตุเป็นเลิศบรรดาบุคคลผู้ยิ่งใหญ่มานเป็นเลิศพระพุทธเจ้าผู้รุ่งเรืองด้วยฤทธิ์ด้วยยศชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกทั่วภูมิเป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งชั้นบนชั้นกลางและชั้นต่ำปัญญาติสูที่ห้าจบ โสขุมมะสูตรว่าด้วยโสขุมมะยานพิกษุทั้งหลายโสขุมมะยานยานเป็นเครื่องกำหนดรู้ลักษณะละเอียดสประการนี้โสขุมมะยานสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ประกอบด้วยรูปโสขุมมะยานไม่เห็นรูปโสขุมมะยานอื่นที่ยิ่งกว่าหรือประนีกว่ารูปโสขุมมะยานนั้น และไม่ปรารถนารูปโสคุมมยานอย่างอื่นที่ยิ่งกว่าหรือประนีกว่ารูปโสคุมมยานนั้น 2. เป็นผู้ประกอบด้วยเวทนาโสขุมมยานไม่เห็นยานอื่นที่ยิ่งกว่าหรือประณีกว่าเวทนาโสขุมมยานนั้นและไม่ปรารถนาเวทนาโสขุมมยานอย่างอื่นที่ยิ่งกว่าหรือประณีกว่าเวทนาโสขุมมยานนั้น 3. เป็นผู้ประกอบด้วยสัญญาโสขุมมยาน ไม่เห็นญาณอื่นที่ยิ่งกว่าหรือประนีดกว่าสัญญาโสขุมมยานนั้นและไม่ปรารถนาสัญญาโสขุมยานอย่างอื่นที่ยิ่งกว่าหรือประนีดกว่าสัญญาโสขุมมยานนั้น 4. เป็นผู้ประกอบด้วยสังขารโสมขุมยานไม่เห็นสังขารโสมขุมะยานอื่นที่ยิ่งกว่าหรือประนีดกว่าสังขารโสมขุมมยานนั้นและไม่ปรารถนาสังขารโสมขุมยานอย่างอื่นที่ยิ่งกว่า หรือประณีกว่าสังขารโสขุมมยานนั้นภิกษุทั้งหลายโสขุมาญานสี่ประการนี้แหลภิกษุใดรู้ความละเอียดแห่งรูปรขันธ์รู้แดนเกิดแห่งเวทนาขันธ์รู้เหตุเกิดและที่ด่บแห่งสัญญาขันธ์รู้สังขารขันธ์โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาภิกษุนั้นแหลเห็นชอบสงบยินดีในสันติบท ชนะมารพร้อมทั้งเสนามารทํารงร่างกายชาติสุดท้ายไว้โซคุมมะสูตรที่6จบเจ็ดปฐมมะอัคติสูตรว่าด้วยอัคติสูตรที่หนึ่ง ภิกษุทั้งหลายการถึงอคติความลำเอียงสี่ประการนี้การถึงอคติสี่ประการอะไรบ้างคือบุคคลย่อมถึง 1. ชั้นทาคติลำเอียงเพราะชอบ 2. โทสาคติลำเอียงเพราะชัง 3. โมหาคติลำเอียงเพราะหลง 4. พยาคติลำเอียงเพราะกลัวภิกษุทั้งหลายการถึงอคติสประการนี้แหล บุคคลใดละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทากติโทษาคติโมหาคติพยาคติยศของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมดุดดวงจันทร์ข้างแรมฉะนั้นปฐมมัคคติสูตรที่เจ็จบ 8. ทุติยะอคติสูตรว่าด้วยอคติสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายการไม่ถึงอคติสี่ประการ น, นี้ การไม่ถึงอคติ4ประการอะไรบ้างคือบุคคลย่อมไม่ถึง 1. นึ่ฉันทาคติ 2. โทสาคติ 3. ามโมหคติ 4. พยาคติภิกษุทั้งหลายการไม่ถึงอคติ4ประการนี้แลบุคคลใดไม่ละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติ ยศของบุคคลนั้นย่อมบริบูรณ์ดุจดวงจันทร์ข้างขึ้นฉะนั้นทุติยะอคติสูตรที่8จบ9ตติยะอคติสูตรว่าด้วยอคติสูตรที่สภิกษุทั้งหลายการถึงองคติสีประการนี้การถึงองคติสีประการอะไรบ้างคือบุคคลย่อมถึง1ชั้นทาคติ สโทสาคติ 3. ามโมหคติ 4. พยาคติภิกษุทั้งหลายการถึงอคติ4ประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายการไม่ถึงอคติสประการนี้การไม่ถึงอคติ4ประการอะไรบ้างคือบุคคลย่อมไม่ถึง 1. นชันทาคติ 2. โทสาคติ 3. ามโมหคติ 4. พยาคติ ภิกษุทั้งหลายการไม่ถึงอกติสประการนี้แหลบุคคลใดละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติยศของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมดุจ ด, ดวงจันทร์ข้างแรมฉะนั้นส่วนบุคคลใดไม่ละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติยศของบุคคลนั้นย่อมบริบูรณ์ ดดดวงจันข้างขึ้นฉะนั้นตติยะอคติสูตรที่เก้าจบสิบพัตตุเทสกสูตรว่าด้วยพระพัตตุเทสกะเลวและดีภิกษุทั้งหลาย พระพัตตุเทศกะผู้ประกอบด้วยทำสีประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ทำสี่ประการอะไรบ้างคือพระพัตุเทสกะย่อมถึง 1. ฉชั้นทาคติ 2. โทสาคติ 3. โมหาคติ 4. พยาคติภิกษุทั้งหลายพระพัตุเทศกะผู้ประกอบด้วยทำสี่ประการ น, นี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรก เหมือนถูกนำไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลายพระพัตตุเทสกะผู้ประกอบรฤทธิ์ธรรมสีประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรมสีประการอะไรบ้างคือพระพัตตุเทสกะย่อมไม่ถึงหนึ่งฉันทากติสองโทสาคติสมโมหคติสพยาคติภิกษุทั้งหลาย พระพัตุเทศกะผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ชน เ, เหล่าใดเหล่าหนึง่งผู้มีสำรวมในกามทั้งหลายไม่ประกอบด้วยธรรมไม่เคารพธรรมถึงอคติเพราะฉันทากติโทสากติโมหากติพยาคติบุคคลเช่นนี้เราเรียกว่าผู้เป็นขยะในบริษัท สมณะผู้รู้กล่าวไว้แล้วอย่างนี้แลเพราะเหตุนั้นแลบุคคลผู้ดำรงอยู่ในธรรมไม่ทำบาปไม่ถึงอกติเพราะฉันทากติโทสาคติโมหากติพยาคติเป็นสัตว์บุรุษที่น่าสรรเสริญบุคคลเช่นนี้เราเรียกว่าผู้ผุดพองในบริษัทสมณะผู้รู้กล่าวไว้แล้วอย่างนี้แลพระตุเทสกสูตรที่สิบจบ จระวรที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวั์นี้คือ 1. จระสูตร 2. ศสีลสูตร 3. ประธานสูตร 4. สังวรสูตร 5. ปัญญาติสูตร 6. โสขุมมะสูตร 7. ปฐมมะอคติสูตร 8. ทุติยาอคติสูตร 9. ตาติยาอคติสูตร 10. พตุเทสะกะสูตร 3. อุรุเวลวัตหมวดว่าด้วยพุทธกิจในตำบลอุรุเวลา 1. ปฐมมอุรุเวลสูตรว่าด้วยพุทธกิจในตำบลอุรุเวลา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 ภิกษุทั้งหลายเมื่อแรกตรัสรู้เราอยู่ที่ต้นอาชปารานิโครดใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตาบอุรุเวลาเรานั้นหลีกเล้นอยู่ในที่สงัดได้เกิดความรำพึงขึ้นมาอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ไม่เคารพไม่ยำเกรงย่อมอยู่เป็นทุกข์เราพึงสักการะเคารพอาศัยสมณะหรือพรามคนไหนหน้อแลอ ย, อยู่ดังนี้ เรานั้นได้มีความดำริว่าเราพึงสักการะเคารพอาศัยสมณะหรือพรามอื่นอยู่เพื่อความบริบูรณ์แห่งศีลขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์แต่เราไม่เห็นสมณะหรือพรามอื่นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามเทวดาและมนุษย์ที่มีศีลสมบูรณ์กว่าเราที่เราจะพึงสักการะเคารพอาศัยอยู่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 แต่เราไม่เห็นสมณะหรือพราหมอื่นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามเทวดาและมนุษย์ที่มีวิมุติสมบูรณ์กว่าเราที่เราจะพึงสักการะเคารพอาศัยอยู่เรานั้นได้มีความดําริว่าทางที่ดีเราควรจะสักการะเคารพอาศัยธรรมที่เราตรัสรู้แล้วนั่นแลอยู่ครั้งนั้นแล เท้าสหัมบดีพรมกำหนดรู้ความรำพึงด้วยใจหายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏต่อหน้าเราเปรียบเหมือนบุรุษมีกาลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นครั้นแล้วเท้าเธอหม่มผ้าเชือกเบากั้งหนึ่งคุกเข่าด้านขวาลงบนแผ่นดินประนมมือมาทางเราเด่ากล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ ค่าแต่พระสุคตเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ผ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตทรงสักการะเคารพอาศัยธรรมอยู่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตจากสักการะเคารพอาศัยธรรมอยู่แม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบัน ก็ขอจงสักดาระเคารพอาศัยธรรมอยู่เถิดเท้าสหบดีพรมได้กล่าวคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันผู้กระจัดความโศกของสัตว์เป็นจำนวนมากให้พี่นาฏไปทุกพระองค์ล้วนเคารพพระสัตวธรรมอยู่นี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละบุะบุตรผู้ใฝ่ประโยชน์มุ่งหวังความเป็นใหญ่โปรดลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงเคารพพระสัท ธ, ธรรมภิกษุทั้งหลายเท้าสหบดีพรมครั้นกล่าวคถาประพันธนี้แล้วจึงว่ายเราทําประทักษณิณแล้วหายไปในที่นั้นเองภิกษุทั้งหลายการที่เราทราบการเชื้อเชิญของพรมและสักระเคารพ อาศัยธรรมที่เราตัดสรู้แล้วนั่นแลอยู่เป็นการสมควรแก่เราแต่เมื่อใดสงงประกอบด้วยความเป็นใหญ่เมื่อนั้นเราก็มีความเคารพในสงงพระธมมโอรุเวละสูตรที่หนึ่งจบ 2. ทุติยาโอรุเวลาสูตรว่าด้วยพุทธกิจในตำบลอุรุเวลาสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายเมื่อแรกตรัสรู้เราอาศัยอยู่ที่ต้นอชปาลานิโครดใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาครั้งนั้นแหลพรามจำนวนมากเป็นผู้แก่ผู้เฒ่าผู้ใหญ่ผู้ล่วงการผ่านวัยเข้ามาหาเราถึงที่อยู่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 เพราะท่านพระโคโดมไม่อภิวาทไม่ลุกรับพวกพราหมณ์ผู้แก่ผู้เท่าผู้ใหญ่ผู้ล่วงการผ่านวัยหรือไม่เชื้อเชิญให้นั่งการที่ท่านพระโคโดมทำเช่นนั้นไม่สมควรเลยเหล่านั้นได้มีความดาริว่าท่านเหล่านี้ไม่รู้จักเถระหรือธรรมที่ทำให้เป็นเถระถึงแม้นับแต่เกิดมาบุคคลจะเป็นคนแก่มีอายุแปดสิบปีกสปี หรือร้อยปีแต่เขาพูดไม่ถูกเวลาพูดคำไม่จริงพูดไม่อิงประโยชน์พูดไม่อิงธรรมพูดไม่อิงวินัยพูดคำไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างอิงไม่มีที่กำหนดไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เหมาะแก่เวลาเขาย่อมถึงการนับว่าเป็นเถระผู้โง่เขลาโดยแท้ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กยังเป็นหนุ่มรุ่นเยาวมีผมดาสนิท ประกอบด้วยความเป็นหนุ่มแน่นอยู่ในปฐมวัยแต่เขาพูดถูกเวลาพูดคาจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดคามีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่เวลาเขาย่อมถึงการนับว่าเป็นเทระผู้ฉลาดโดยแท้ภิกษุทั้งหลายธรรมที่ทำให้เป็นเทระสี่ประการนี้ ธรรมที่ทำให้เป็นเทระสีประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโม่เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพหูสูตรทรงสุตะสังสมสุตะ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 ได้โดยไม่ลำบากสี่ทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายทำที่ทำให้เป็นเทระสี่ประการนี้แลบุคคลผู้มีจิตฟุ้งซ่านมีความดำริไม่มั่นคงเหมือนมรึกยินดีในอาศัตธรรมกล่าวคําร้ายสาระเป็นอันมาก มีความเห็นต่ำทรามไม่มีความเอื้อเฟื้อย่อมห่างไกลจากความเป็นผู้มั่นคงส่วนบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีสุตะมีปฏิพานประกอบอยู่ในธรรมที่มั่นคงย่อมเห็นแจ้งอัดแห่งอริยสัจด้วยมัรคปัญญาถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงไม่มีกิเลสเกาะยึดไว้มีปฏิพานและความเกิดและความตายได้แล้วเพียบพร้อมด้วยพรหมจรรย์ เราเรียกภิกษุผู้ไม่มีอาสวะว่าเทระเราเรียกภิกษุนั้นว่าเทระเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายทุติยโอรุเวลสูตรที่สองจบ 3. โลกสูตร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 เพราะตาคตตรัสรู้ในราตรีใดปรินิพานในราตรีใดในระหว่างนี้ย่อมพาสิทธ์กล่าวแสดงออกซึ่งคำใดคำนั้นทั้งหมดเป็นจริงอย่างนั้นแหลไม่เป็นอย่างอื่นฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตาคตเพราะตาคตกล่าวอย่างใดก็ทาอย่างนั้นทาอย่างใดก็กล่าวอย่างนั้นฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตาคต เพราะตถาคตเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครข่มเหงได้เห็นท่องแท้แผ่อำนาจไปในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตบุคคลใดรู้แจ้งโลกทั้งปวงตามความเป็นจริงทั้งหมดพรากจากโลกทั้งปวงไม่มีกิเลสสังสมอยู่ในโลกทั้งปวง บุคคลนั้นแลครอบเมือมอารมณ์ได้ทั้งหมดเป็นนักปราดปลดเปลื้องกิเลส ท, ที่ร้อยรัดได้ทั้งหมดบรรลุนิพพานที่มีความสงบอย่างยิ่งไม่มีภัยแต่ที่ไหนบุคคล น, นี้สิ้นอาสวะเป็นพุทธไม่มีทุกข์ตัดความสงสัยได้บรรลุความสิ้นกรรมทั้งปวงหลุดพ้นเพราะสิ้นอุปธิตกิเลสบุคคลนั้นเป็นผู้มีโชคตรัสรู้เปรียบเหมือนราชสีที่ยอดเยี่ยม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 ที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ถึงสแสวงหาตรงตามด้วยใจนั้นเราก็รู้แล้วตถาคตรู้แจ้งรูปที่ได้เห็นเป็นต้นนั้นอารมณ์นั้นไม่ปรากฏในตถาคตรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมที่รู้แจ้ง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 แม้คำนั้นพึงเป็นคำเท็จเช่นเดียวกันรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งละถึงนั้นเราพึงกล่าวว่ารู้ก็มิใช่ไม่รู้ก็มิใช่คำนั้นพึงเป็นโทษแก่เราตาทาคตเห็นรูปที่ควรเห็นแล้วแต่ไม่สำคัญว่าได้เห็นไม่สำคัญว่าไม่ได้เห็นไม่สำคัญว่าต้องได้เห็น ไม่สำคัญว่าเป็นผู้เห็นฟังเสียงที่ควรฟังแล้วแต่ไม่สำคัญว่าได้ฟังไม่สำคัญว่าไม่ได้ฟังไม่สำคัญว่าต้องได้ฟังไม่สำคัญว่าเป็นผู้ฟังทราบอารมณ์ที่ควรทราบแล้วแต่ไม่สำคัญว่าได้ทราบไม่สำคัญว่าไม่ได้ทราบไม่สำคัญว่าต้องได้ทราบไม่สำคัญว่าเป็นผู้ทราบ รู้แจ้งธรรมารมที่ควรรู้แจ้งแล้วแต่ไม่สำคัญว่าได้รู้แจ้งไม่สำคัญว่าไม่ได้รู้แจ้งไม่สำคัญว่าต้องได้รู้แจ้งไม่สำคัญว่าเป็นผู้รู้แจ้งภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นผู้คงที่เช่นนั้นแหลในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมที่รู้แจ้งเรากล่าวว่า บุคคลอื่นผู้คงที่ยิ่งกว่าหรือประนีปกว่าตถาคตผู้คงที่นั้นไม่มีรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบที่คนเหล่าอื่นหมกมุ่นแล้วสำคัญกันว่าจริงตถาคตเป็นผู้คงที่ในรูปเป็นต้นเหล่านั้นที่สำรวมระวังดีแล้วด้วยพระองค์เองไม่ปักใจเชื่อว่าจริงหรือเท็จเราเห็นลูกสอนเคทิฏฐินี้ก่อนแล้ว จึงรู้เห็นลูกศรคือทิฐินั้นที่หมูสัตว์หมกมุ่นแล้วคลองอยู่อย่างนั้นแต่ตถาคตทั้งหลายไม่มีความหมกมุ่นกาละการามสูตรที่สจบ